โรงพยาบาลเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของคนทุกคนทุกที่ว่านี้ก็มาถึงคนที่เจ็บป่วยแต่ถ้าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะมันเป็นที่พึ่งของคนที่ทุกสองชั้นเลยคือเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ยากจนด้วยมันทำไมยากจนเนี่ยก็อาจจะไม่ไปโรงพยาบาลรัฐนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโรงพยาบาลเอ ก, กชนนีเยอะแต่ถ้ายากจนเนี่ย จ็ป่วยด้วยเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวเลยและเวลาพูดถึงคนที่อยากจนเนี่ยแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยค่ารักษาพยาบาล น, นี้จะฟรีแล้วแต่ว่าค่ายานะถ้าเป็นยานอกบัญชีนี่ก็ไม่ฟรีแล้วก็มักจะแพงซะด้วยหลายคนเนี่ยนอกจากไม่มีเงินจ่ายค่ายาแล้วแม้กระทั่งค่าเดินทางก็ลําบาก นะต้องไปหยิบยืมเพื่อมีค่าเดินทางมาโรงพยาบาลมาถึงแล้วก็อาจจะไม่มีค่าอาหารไม่มีเงินซื้ออาหารหลายคนเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยอย่างเดียวญาติด้วยมาโรงพยาบาลแล้วบอกว่าต้องทนหิวนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้ออาหารเงินที่มีก็หมดไปกับ ค่าเดินทางแล้วค่ายาจะมีโรงพยาบาลหนึ่งนะน่ารักมากนะโรงพยาบาลราชวิถีนะอยู่กลางกรุงเลยเจา้าที่สังคมสงเคราะห์นี่เวลาเห็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเนี่ยคนไหนเนี่ยยากจนมากบางทีก็ให้ค่าเดินทางนะไปกลับนะ หรือว่าแม้จะมีค่าเดินทางแล้วแต่ว่าบางคนไม่มีเงินค่าอาหารเขาก็ให้คูปองนะคูปองไปกินอาหารฟรีในร้านอาหารสวัสดิการเขาเรียกว่าร้านอาหารศูนย์สวัสดิการของโรงพยาบาลคูปองนี้ชื่อว่าคูปองปันกันอิ่ม สามารถจะซื้ออาหารได้ราคา47บาทรวมน้ำเลยนะอาหาร40น้ำ7บาทฟรีเลยน ะ, ะผู้ปว่วยระยาะนี้ยากจนเนีนะ่ถ้าได้คููปองนี้ไปก็แปลว่ามือนั่นไม่อดนะหรือบางทีไม่ใช่แค่มือกลางวันอย่างเดียวบางทีก็มือเย็นด้วย น, นี่เป็นโครงการที่น่าสรรเสริญมากแต่การที่โครงการนี้จะเป็นไปได้เนี่ยลำพังเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่พอนะต้องอาศัยความร่วมมือหรือกำลังสนับสนุนจากร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารที่ศูนย์สวัสิการของโรงพยาบาลนี่ อย่างน้อย3ล้านนะที่เขาร่วมมือนะกับโรงพยาบาลคือพร้อมจะให้อาหารฟรีแก่ผู้ป่วยระยะที่มีคูปองเนี่ยถ้าไม่มีร้านหารแบบนี้นะโรงพยาบาลก็อุดหนุนช่วยเหลือคนป่วยระยะที่ยากจนได้ลำบากนะเพราะโรงพยาบาลก็มีเงินจํากัด เพราะนั้นเนี่ยในโครงการเนี่ยช่วยเหลือคนยากจนได้นี่ก็เพราะมีร้านค้าที่เรียกว่าใจบุญนะแต่ร้านค้าแบบนี้เนี่ยจะช่วยเหลือคนยากคนจนได้นี่ลำพังกำลังของตัวเองคงอาจจะไม่พอนะอาจจะช่วยได้ไม่นานเพราะนั้นเนี่ยถ้าหาว่ามีญาติโยม ที่อยากช่วยเหลือคนอยากคนจนถ้ามาสนับสนุนร้านอาหารพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ร้านที่ว่าเนี่ยนะเขาช่วยเหลือคนอยากคนจนได้ง่ายขึ้นหรือว่ายั่งยืนมากขึ้นในเวลาใครไปโรงพยาบาลเนี่ยนะรายวิถีถ้าเกิดว่ามีกําลังทรัพย์นะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะที่ยากจนเนี่ยก็ไปช่วยได้นะร้านอาหารสามร้านที่ว่าเนี่ เขาจะติดป้ายนะปันกันอิ่มนะติดป้ายจะแสดงว่าถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือเขาเขาก็จะเปลี่ยนเงินเป็นคูปองนะ่บบาทแล้วก็ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เจ้าที่สังคมสงเคราะห์อันนี้เป็นการทำบุญที่เรียกว่าถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆนะ ที่จริงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีหลายโรงพยาบาลนะมีโครงการทํานองนี้อย่างเช่นสถาบันประสาทวิทยานี่ก็มีร้านที่เขาร่วมโครงการปันกันอิ่มใครที่อยากจนก็มากินฟรีบางร้านก็มากินฟรีได้เลยนะไม่ต้องมีคู ป, ปองบอกว่าอไม่มีเงินเขาก็จะจัดอาหารให้หรือน้ําดื่ม แต่ก็เช่นเดียวกันนะร้านแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนอุดหนุนสนับสนุนอุปถัมภ์ซึ่งก็คือคนทั่วไปนี่แหละนะที่มีกำลังทรัพย์เวลาตัวเองกินอาหารอิ่มแล้วนะนึกถึงคนที่เขาหิวก็อยากจะช่วยเขาบ้าง10บาท20บาทหรือหนึ่งมื้อหนึ่งอิ่มเรากิน1อิ่มนี่เท่าไหร่นะห0ิบาทก็นึกถึงคนที่เขาไม่มีกินก็ช่วยปัน ให้เขาได้กินอิ่มบ้างก็50บาทหรือบางคนก็ให้เป็นร้อยหรือบางคนก็การทำบุญวันเกินหลายคนนี่เขาสนับสนุนร้านค้าปันกันอิ่มเนี่ยไม่ได้คิดว่าเพราะเป็นการทําบุญนะหมายความว่าไม่ได้คิดว่าเนี่ยทำแล้วเนี่ยจะได้บุญแล้วบุญก็ทําให้เกิดโชคเกิดลาภหายเจ็บหายป่วยหลายคนไม่ได้คิดแบบนั้นคิดเพียงแค่ว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อน ตกทุกได้ยากขาดอาหารไม่มีอาหารกินแต่การทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นบุญอยู่แล้วในตัวนะแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจจะเอาบุญหรืออยากได้บุญแต่ว่าสิ่งที่ทําก็เป็นบุญอยู่แล้วเพราะว่าทําแล้วก็มีความสุขนึกถึงแล้วก็มีความภาคภูมิใจบุญนี้มันชื่นความสุขนะสุขที่ว่านี่คือสุขใจสุขใจที่ได้ทําความดีสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น แล้วเดี๋ยวนี้ร้านปันกันอิ่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะมีเป็นร้อยนะทั่วประเทศเลยตามหอชัยคลายบ้างตามโรงพยาบาลบ้างหรือตามตลาดใครที่ไม่มีเงินนะถ้าบอกเขานี่เขาทําอาหารให้ฟรีเลยนะบางทีก็อาหารตามสั่งบางทีก็เป็นอาหารสําเร็จรูปบางทีก็เป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มนี่ใครอยากจะช่วยเหลือ เพื่อมนุษย์ที่ลำบากขาดอาหารหรือว่ายากจนนี้ก็ก็ช่วยนะให้กับร้านเหล่านี้ได้บางร้านก็อาจจะไปช่วยด้วยตัวเองนะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลไร้วิถีนี้ก็มีอยู่ที่ส่วนอาหารสัสดิการของโรงพยาบาลหรือมิฉะนั้นก็อาจจะผ่านมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาก็ได้เพราะมูลนิธินี้ก็ได้เริ่มโครงการนี้ปันกันอิ่ม แล้วก็เงินที่ได้มาก็กระจายไปตามร้านต่างๆที่เขารวมโครงการนี้ทั่วประเทศเลยนะัน้นเพราะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีเงินกินอาหารนะมาบอกได้แต่บางคนเขาก็ไม่กล้านะเขาอายบางทีเจ้าของร้านต้องเชิญชวนนะเชิญว่ามากินเถอะบางทีก็อาศัยดูลักษณะท่าทางแล้วเห็นแล้วยากจนก็เรียกมากินเลยนะ ฟรีนะแบบนี้ก็เยอะนะอันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแม้ว่าคนที่สนับสนุนอาจจะไม่ได้นึกถึงบุญอาจจะไม่ได้คิดว่าทาแล้วจะได้บุญนะแต่ว่ามันก็เป็นบุญอยู่แล้วในตัวเพราะทำแล้วใจเป็นสุขน ะ, ะโครงการวันนี้ต้องมีน่าจะมีมากๆากนะโดยเพพาะตามโรงพยิบาลของรัฐนี่ผลอยากจนทั้งนั้นเลยนะ ไม่มีเงินค่าอาหารไม่มีเงินค่ารถโรงพยาบาลไรวิถีนี้ก็เรียกว่ารเริ่มนะโครงการที่ดีมากนะซึ่งคิดว่าคงจะมีหลายโรงพยาบาลนะที่ทําอาจจะทํำเงียบๆนะแต่ถ้าทํากันทุกโรงพยาบาลได้นี่ก็เรียกว่าช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้เยอะเลยเพราะคนยากคนตนที่ต้องอาศัยโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งนี่มีเยอะมากนะ